มีองคางแต่เมียงเองเคียงกับวิขีกงโจสามคมเนี่ยก็ยังรบป้องกันเมืองอยู่นีจากรายงานของกองสอบแนวมันตนะามความคิดเห็นของคนในวัดแต่เข้าพเจ้าเห็นว่าม เ, เ, เมียงเองเคียงจะเสียแต่เมียงหมั่นองอยู่แล้วีบางเมียมีฝุดดีมาสามั่นบัดนี้ข่าวติดข่าวสงครามมันเป็นมาดังนี้ เราจะมองย้อนกลับไปอีกนิดนึงคนได้วางแผนไว้เนี่ยที่จะรวบันสั ง, สงหูโตให้มาเป็นหนึ่งกาแ ฟ, ฟชวนก็จะต้องอระงับศึกหรืวาระงับศึกคือจะต้องบทขยีม้มันอองเบ่เฮ็ด น, นี่ก่อนนี่ความมีหวงวางแผนนี้ไว้ตั้งแต่สามสี่ปีก่อนแล้วแต่ก็ยังไม่ได้กระทําการและบนันทึกข่าวมาอย่างนี้เนี่ยเพื่อจะเราเสี่ยงคนเด็กฟางนี้ก็ตกใจ ก็กินว่ากับคงเบ่งว่ะเราจะคิดประการใดดีฝึกสงครามเกิดขึ้นชะ น, นี้แล้วเนี่ยคงเบ่งก็ทูลว่าเพราะไอ้เจ้าเมือนสารคนใส่ฝึกของเราเป็นหนอนเบ่งเฮกแห่งมันอองกิง ด, ดูหนิงบางอาจยกทหารเข้ามารบในแบงเราครั้งจะจัดให้ผูดได้ออกไปรบ ก็ไม่เห็นใครเลยและด้วยการนี้สําคัญนะักข้าพเจ้าจะยกไปเองนี่ฮกหลงรับว่าการนี้ต้องยกไปเองก็นั่งกล่าวแล้วว่าเป็นแผนนสําคัญอยู่ที่กองเบ่งจะรวมแผ่นดิ น, ดนรวมกอกทั้งสามเข้ามาเป็นกอกเดียวกันได้นเนี่ยก็จะต้องตัดสึกทางด้านมันอ๋องให้ได้เสียก่อนเนี่ยมันจะต้องตีมันอ๋องให แต่ว่าข่าวซะก่อนเนี่ยมีกเหวนที่บอกว่าข้าพเจ้าเจยกไปเองพระเจ้เราเสืยอจริงว่าท่านเจยกออกไปรบขั้นรุนแล้วฝ่ายพระเจ้าโ จ, าจาผีพระเจ้าฝืนควนรรู้และจะยกมาตีเสฉวนเราจะทําประการใดขงเบ้งก็ทูลทีเดียวว่าเมืองกาญสานเป็นไมเกรกับเราแล้วก็จะไม่มาถึงแมาแตัวเจยกมาเรา พวกเราติ่ตั้งอยู่เมืองเตกเตะอันเป็นปาฏฐานนั้นก็เห็นพอจะรบ ก, กับโลกสุ่มทหารเมืองกันสังได้ฝ่ายพระเจ้าโจผีเราก็ยกไปรบกับเมืองกันสังทหารพระเจ้าสุ่นคนในกันสังก็ฆ่าฟันทหารพระเจ้าโจผีล้มตายขึ้นไปนั้นมากก็ยังจะต้องจัดแจงทหารอยู่รพระเจ้าโจผีเอ็นทีจะยังไม่ยกมา มีหกหลวงประมาณสถานการณ์กันแบบนี้แล้วก็กล่าวตอว่าอันหนึ่งนานฮันสงหลอมาเฉียวก็คุ้มานตั้งรักษาอยู่ฝ่ายกวนหินเตียวเปาก็คุหมานเพื่อ ต, วตรวจปาอยู่เพราะองค์จะได้วิตตกเลยข้าพเจ้าจะยกไปรบปราบเบ่งเฮกแห่งมืนมันอ๋องได้แล้วก็จะคิดทำการด้วยทาพระเจ้าโจผี เพื่อจะร้องคุณพระเจ้าเราปีพระเจดีนาของพระองค์สืบไปข mm hmm. องเบ่งกล่าวความเน mm hmm. เป็นความผ่องแพรในใจของเบ่งที่สุดเดยทีเดียวคือวางแผนตั้งแต่เริ่มออกจากเมืองลังกันมาแล้วเนี่ยก็แผนนี้แหละจะต้องกระทําการนี้เพื่อจะร้องพระเด็กระคุณพระเจ้าเราปีให้จนได้เนี่ย ถ้าเจาเราเสี่งยงไปฟังก็ดีใจก็ถึงว่าการทา่านมีก็สุดแต่ท่านจะคิดเถอะองค์เรียนที่ตุสานก็ถินว่าท่านจะยกไปรบเบงเฮกนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าทางก็ไกลแล้วก็กันดานนะัผีก็ร้ายความไข้ก็มากอันหนึ่งเมีนเองเฉียงที่เบ่งเฮกยกมารบนั้นก็เหมือนเป็นคนไข้ไม่สู้หนักนะก็พอที่จะให้แต่สามุสิ เอายาไปรักษาก็จะหายส่งตัวท่านหมาอุปราชจะต้องไปเองนั้นข้าพเจ้าเห็นไม่ควรอองเลียงกล่าวดังนี้คือไม่อยากให้คงเบ่งไปคงเบ่งก็จริงว่าผิท่ทานว่ามาทั้งนี้ก็ควรอยู่แต่เราเห็นว่าคนในที่นั้นเป็นคนป่าอามีความคิดรู้จักผิดระชอบไหมคือพวกมืมอมันองเนี่ย จะให้ผู้อื่นยกไปนั้นนะ่ะเห็นว่ามันจะไม่เกรงกลัวเราจําจะต้องยกไปอีกแต่ออกเยี่ยนที่ปรึกษาได้ว่ากล่าวทัดทานทังสามครั้งคงเบ่งก็ไมครังคงเบ่งก็ทูลพระเจ้าเราเสี่ยง่ะพระเจ้าโจผีสู้รบกับพระเจ้าสุนกวนแตกกลับเป็นเมืองแล้วนบัตนี้ก็จะขอให้เรียกหาจูรุ่งกลับมาเป็น นายทับไปด้วยมีความผูกพันเก่าแก่ระหว่างหกล้มคงเบ่งจูร่งหนีเราปีนุ่ยผูกพันกันอยู่มากบัดนี้มีจูร่งอยู่เนี่ยคุณอูเตียวฮุยก็ไม่อยู่แล้วคมเบ่งก็ต้องขอตัวจูร่งมาเป็นแม่ทับมาเพราะเจ้ารสิงหุ่นชอบด้วยคมเบ่งก็สังถานให้ถึงถือไปถึงจูร่งเรียกตัวจูร่งกลับมา และคนไม่ก็พาจูร่งเข้าไปสวดบังคมกิบเจ้าเราเสียนและก็ประจัดแจงกองทัพอยู่นอกเมืองและจึงตั้งให้จูรง่งอวีเอียนสองคนนี้เป็นนายทัพอองเต็เดียวเอกคุมหานเป็นปีกซ้ายขวาเกียวอ้วนคุมหานเป็นสารวัตรตรวจตราติวีตงเคียกอ่วนเคียนสาคนนี้เป็นที่ปรตกษา และฐานในกองทัพทั้งสิ่นนันจำนวนห้าสิบหมื่น เม so so ื่อครั้งที่เสือเมืเก่งจิวน่ะอ้วนศกเนี่ยหนีแตกหนีจากเมืองเก่งจิวไปน่ะไปป่วยอยู่นัดบ้านเป้าแก่ครั้นหายป่วยแล้วอ้วนศกจะเข้ามาเฝ้าพระเจ้าเราเสียนเดินทางมาก็ได้ยินเขาพูดว่าบ้านี้คงเด้งจัดแจงกองทัพจะไปรบมันอ๋องเด้งเฮ็กหนึ่อ้วนศกก็เข้าไปหาคงเด้งแขงเนื้อความให้ฟังตามผลหลังทุกประการห่ะ เ, เก่งจืดแตกระประการใดอย่างไรผ้องเก็บตัวประการใดไปรักษาตัวอยู่ที่บ้านเปล่าแกอย่างไรบัตรเนี้ยก็จะเข้ามาครอบและได้เราเสียนเนี่ยทราบว่าหมหาประร า, ารชจะทับจะเนี่ยก็จึงเข้ามาอา่าถกมาหาแจงด้วยความไม่ฟังผมเบ่งนี่เอไม่เด็กฟังควรศกว่ากล่าวความทั้งทิ่นี่ก็ล่มึกขึ้นได้ก็ดีใจนะัก เขาจึว่าเมื่อเสียเงินเก่งจิ๋วก็ไม่ได้เห็นมากกันก็คิดว่าลมตายไปแล้วบัด น, นี้เมื่อทันมาก็ดีแล้วผมเองก็จึงตั้งกวนศกให้เป็นนายทับมากคือจูรุ่งอุยเอีย น, นเป็นนายทับใหญ่ละ ว, ว่าอย่างนั้นบัด น, นี้แม่ทับมาไปกองดารุยกองหน้านี่ก็ให้กวนศกเชือ้อสายกวนอูลูกชายกวนอูอีกคนนึ่งเนี่ย เป็นกองทัพมาและพร้อมกันนั้นหมาอุปราชก็บอกมังฝือเข้าไปกราบภูมิให้พระเจ้าเราเสียงได้ทรงทราบแล้วก็ยกทัพ ไปเข้าเบ่งเฮก น, นั้นครามรัวของเบ่งยกทัพมาก็พลิกกันแล้วก็จัดฐานเป็นสามทัพละยองคีคุ้มทหารไปทางกลางจูโพไปขั้นซ้ายโกเตงไปข้างขวาแล้วโกเตงก็แต่งให้งาฟันม่ชูอตอนนี้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วนะครับกกไปยังอีกทีนึงอีกประเทศนึ่ห่างไกลออกไป ขนบธรรเนยียมประเพณีต่างๆน้นมาสำข์เสีเสียงพูดก็ ต, ต่างกันไปนี่แม้แต่ชื่นนช อ, น, อนี่ก็ดูฟังจบโกลนจบโกลนโเป็นแต่งให้งากฟันคุมหานเป็นกองหน้ายกไปก่อนฝ่ายขงเบ้งควัยกพับเข้ามาใกล้เมืองเอ็งเฉียงได้พบงาฟันคุมหานออกมาได้ไหม ข, ง ข, ง ข, งขงังโกหลวงคงเบ้งค่อยมีเอีย่ยนคุมหันออกรบ อูเอียนก็ขีม้าขับห่านเข้าไปแล้วก็ร้องว่าไอ้ขบรถมึงเร่งกลับใจซะใหม่ถึงจะพ้นตายหน้าฟันมันไม่ตอบประการใดแล้วขับมาเข้ารบด้วยอูเอียนเป็นสามารถทีเดียวสู้รบกันอยู่ในพาร์ใหญ่อูเอียนก็ทําเป็นควบม้าหนีหน้าฟันไม่ทันรู้ในโอนเขาก็ขับมาไล่ตามไปทีเดียวฝ่ายเปียวเอ็กอองเตง ถึ่งเป็นปีกซ้ายปีขวาค่านเห็นหน้าฟันไล่อุยเอยงเข้ามาตัวเอ็กออนเป่งก็ขับทหารรบเคลื่อนมาเข้าไปล้อมวงเข้าไว้แล้วก็จับได้ตัวหน้าฟันมัดเข้าไปขงเบ้งขงเบ้งทัานเห็นทาหารมัดตัวหน้าฟันเข้ามาได้ดังนั้นน่ะก็ดีใจก็สั่งให้แก้มัดออกเสียสั่งให้จัดโต๊ะมาหมายถึงโต๊ะอาหารนะจัดอาหารออกมา ให้ยกโต๊ะมาให้หนักฟันกินขรั้งกินแล้วขอเบ่งก็ถามว่าท่านเป็นทหารใครใช่มาหนักฟันก็ตอบว่าเข้าไปเจ้าเป็นฐานของโกเต็งของเบ่งในนึงก็จิงว่าโกเต็งคนนี้ยซื่อตรงนะเรารู้อยู่ว่าหาเป็นขบถใหม่เหตุเป็นเพราะว่าไอ้ยนคีโกหกไปอ้อนวอนว่ากล่าว โกเงกินหลงไปตามลิ้นมันเอาเถอเราจะปล่อยท่านเอกกลับไปบอกโกเตงให้มหาเราแตโดยดีก็จะพ้นพิดหนักฟันผู้เป็นนายทหารมารบกับเขาเขาจับได้ไม่ฆ่าไม่ฟันยีน่นี่ก็ดีใจนะักกราบลงแล้วก็ลาไปครั้งหนักฟันกลับไปถึงโกเตงก็ ng, เราเมื่อความในโกเตงฟันทุกประการน่ะว่าผมไม่พูดอย่างไรประการได้เนี่ย ก็พูดว่าอันน้ำใจของเบ้งนั้นน่ะดีนะโกเตงได้ฟันงัดฟัทนทหารของเต็มรายงานดังนั้นก็จริงว่าเคาใจของเบ้งนี้น้ําใจดีจีลุยของเบ้งหาคะแมนเสียงได้แล้วละ่ะทีนี้ฝ่ายโยงคีรุง่งเช้าก็มายัง่ายโกเตงนะอ่ะก็มาถามว่าวันเนี้ยงัด ออกไปรบกับทหารขงเบ้งทหารขงเบ้งจับตัวได้เอาไปให้ขงเบ้งขงเบ้งได้ตัวแล้วทําไมจึงกลับมาได้หรอโกเตงก็บอกว่าขงเบ้งเนี่ยใจดีมะจับหน้าฟันได้แล้วก็ไม่ขา่าปล่อยมายองขี่ไปฟันก็ตกใจทีเดียวก็ถือว่าขงเบ้งนี่มีความคิดแกลงปล่อยหน้าฟันมาครั้งนี้ หวังให้เราเนี่ยผิดใจกันนี่ยงคีว่าอย่างนี้โกตินอะโกเตงได้ยินโยคีว่าดังนั้นะก็ก็เชื่อบางไม่เชื่อบางแต่คิดครางแครงใจอยู่ล่ะคิดใายึงของตนไปขมเบ่งชมไม่ว่าตนเป็นคนดีไม่กหบดเนี่ยมัก็ชื่นชมอยู่และคนเม่งก็ปล่อยฐานของตัวมาก็ช็อกใจแต่บัด น, นี้ยงคีมาพูดอย่างนี้โกเตงก ยังยังไม่เชื่อก็พอดีทหารเขามาบอกว่ า, ามันนี่อุยเอียนทหารคนเล่นเด็กคุณทหารออกมาท้ารบยงคีในตอนนั้นก็โกรธกลับไปค่ายแล้วก็คุณทนารออกไปรบกับอุยเฉียนยงคีออกไปสู้กับอุยเอียนไม่สามารถในที่สุดยงคีเสียทีแต่ขับมากลับเข้าค่ายอุเอียน เห็นยงคีแตกไปเลยมันก็ขับม้าไล่ติดตามแต่ก็ไม่ทันเมื่อไม่ทันยังก็กลับมาข่ายผมเอก็สั่งถามท้งปววะในสามวันนี้ถ้าข้าศึกจะยกออกมารบด้วยเนี่ยอย่าให้ฐานของเราออกรบนี่สั่งให้ไม่ร <c oughs> บอุบายหกหลุ่มละจะทำยังไงเออข้างฝ่ายยงคี คุณเชา้าก็ขับหารไปท้ารถถึงหน้าค่ายอขงเด่งก็สั่งฐานให้สงบระงับเงียบอยู่ในค่ายไม่ได้ออกไม่ให้ออกไปรบด้วยเป็นอย่างนั้นอยู่ดังนั้นถึงสามวันครั้งครบสามวันแล้วขงเบ่งก็สั่งเตียวเอ็กกับองต่๋งซึ่งเป็นปีกซ้ายขวาว่าพรุ่งนี้ พันจงคุมหารได้ตั้งซุ่นอยู่ในป่าทั้งสองข้างทางข้างยงคีโกเตงยกออกมาแล้วเร่งรบกระหนักจับทหารทั้งสองนี่มาให้ได้จับทั้งทหารของโกเตงจับทั้งทหารขอ ง, งยงคีด้วยจับทหารทั้งสองเหล่านี่มาให้ได้แล้วทําเป็นพูดจาทำอาการให้มันรู้ว่าพวกโกเตงถึงจับตัวได้เนี่ยก็ไม่ฆา ต่ปล่อยให้พูดไปอย่างนี้แต่ถ้าเป็นพวกยงคีแล้วถ้าจับพวกยงคีได้จะให้ฆ่าให้หมดโรกหลงวางแผนไปอย่างนี้ฝ่ายยงคีโกเตงขันถุมเช้าก็จัดแจงคุณฐานไปเป็นสองฐานานไปถึงไข่ของเบ่งแล้วก็ขับฐานโห o r o n g ลบเข้ามาของเบ่งค้นเห็นโกเตงยงคีโยกท่ามาเป็นสองานดังนั้น โคตเมตมีเอียนขุนหันหยกออกรบทั้งสองทางล่ะเหอียนก็ขึ้นมาออกมาแล้วก็จัดทหารให้รบกับโกเตงพวกหนึ่งรบกับยงคีพวกหนึ่งแล้วเหอียนก็ขับม้าเข้ารบกับโกเป็งยงคยีเป็นสามาคคก็ยังไม่แพ้ไม่ชนะกันล่ะก็พอดีเตียวเอ็กอองเป็งสองฐานกองซุ่มสองข้างทางโฮร้องออกมาล้อมกราบทหารของโกเป็งยงคยีเข้าไว้ แล้วก็ฆ่าฟันทหารของโกเตนโยงขีนนี่นแหละทั้งสองฝ่ายนี่แหละทั้งสองพวกเนี่ยฆ่าฟันล้มตายไปนั้นมากก็จับได้ด้วยก็จับได้ทั้งสองพวกนี่แหละแต่แล้วก็ทำเป็นร้องบอกเพื่อนกันนะว่าถ้าจับได้ฐานโกเตนไม่อยากฆ่าแต่ถ้าใครมันเป็นฐานของยงขีให้ฆ่ามันเถอะแล้วก็มาฐานเรามันพาไปฆ่าขงบบ่ง คนได้ยินดังนั้นก็ดีใจก็ฝังให้ทหารพวกยงคีเนี่ยเข้ามาก่อนละแล้วก็ถามทีเดียวว่าเอ็งเนี่ยเป็นบ่าวของใครเป็นทหารผู้ใดฝ่ายฐานยงคีได้ยินดังนั้นน่ะ ก, ก, ก็ต้องใช้ความคิดกันหน่อยละก็ได้ยินทหารที่จับตัวมาเนี่ยพูดกันยังไงละ่ะถ้าจะบอกตามจริงว่าเป็นฐานยงคีนี่ เขาก็จะต้องฆ่าพวกเราตายสิ้นเจ้าฐานเดี่ยวนี้ก็พร้อมกันกราบวงแล้วก็บอกว่าขา้าพเจ้าเป็นทหารโกดังเองของเองแต่ยินแม่นั้นก็ให้เชื่อฟังให้แก้มัดเนี่ยแล้วก็พูดว่า mm. เมื่อพวกเอง mm. เป็นฐานของโกด็งแล้วเราก็ไม่ฆ่าแต่ถ้าเป็นหารยงคีเราก็จะฆ่าเสีให้สิว่าแล้วก็ฟังให้ยกเรายกข่ามาวิีง แล้วก็ปล่อยทาหารเหล่านี้คือความจริงเป็นหารของยงคีนี่แหละแต่เจ้าพวกเหล่านี้คิดว่าตัวฉลาดละแหล่งบอกว่าเป็นทหารของโกเตงแล้วก็ได้รับการปลดปล่อ ย, ลอยกลับไป เนอนี่จะดูว่าง่ายว่าอยากประการใดอย่างไรดูวางแผนว่ายังง่ายอ้าปล่อยพวกของยงคีถึงนเจ้พวกนี้ก็คิดว่าตนเองก็หลอกมหาอุปราชบุญเสฉวนได้ไม่ง่ายเพียงจะบอกว่าขับเจ้าเป็นฐานของโกเตงเท่านั้นนะก็เขาปล่อยหมดจากนั้นของเองก็สั่งให้เอาพวกของโกเตงจริงๆเข้ามาก็ถามว่าเองเป็นบบาผู้นายทหารของใคร ฐานโกเตงนี่นก็ตอบว่าขบจบเป็นฐานของโกเตงผมเองก็สั่งให้แก้มัดออกให้เอาเล่าเอาข้ามารื้ดูกันแล้วก็พูดว่ากปล่อยมึงไปครั้งนี้อย่าได้กลับมารบอีกนะถ้ากลับมารบอีกจับได้จะให้ฆ่าให้สิบแต่จะขอสั่งความไปบอกโกเตงว่ายองคีนะ ร, รู้ตัวตัวความผิดแล้วใช้คนมาหาเรา บอกว่าจะขอตัดศีรษะโกเตงกับจูโโเอามาให้เราเพื่อจะแก้โทษตี่ตนทําผิดแต่หนหลังนี่เรานะี่คิดเองดูนะว่าโกเตงเป็นคนซื่อตรงหรอกพวกเองจงเอาความเนี่ยไปบอกกันมาของเองให้รู้ตัวนี่รหกลงวางแผนให้ขาดตึกท่าปันกันเองเอาทหารของโกเตงเหล่านี้ กินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วเราก็กราบแล้วก็กวกี่ไปครั้งไปถึงก็เอาควาที่ขงเบ่งหวานนั่นแหละไปบอกให้โกเตงฟังทุกประการละ ว, ว่าโยงคีมานะคิดอย่างนี้ยงคยีรู้ตัวว่าผิดเป็นขบถเสฉวนเนี่ยเป็นขบถตอบมหาอุปราชจะแก้ตัวแก้โทผิดโดยจะฆ่าโกเตงจูโพ โกเตงเลืกฟังนี้ก็สะดุ้งใจทีเดียวแลวก็ยังไม่อาจจะทำการใดวู่วางทันทีทัาใดไ ด, ได้ก็สั่งคนใช้ให้ไปคอยระวังที่ค่ายยงขีสิดูสิเขาจะคิดอ่านประการใดทำอย่างไรนีร่กว่าระแวงแล้วเกิดความระแวงอย่างยิ่งคนใช้ของโกเตงก็ไปตามคำฝั่ง ขัานฐานของยงคีที่ถูกของเบ่งจับไปแล้วก็บอกว่าพวกตัวนี้เป็นทหารของโกเตงแล้วคงเบ่งก็ปล่อยมานะเนี่ยเจ้พวกเรานี้ก็ถือว่าตัวรอดชีวิตมาได้อย่างฉันฉลาดแล้วเนี่ยพวกเราที่กลับมาถึงค่ายแล้วเนี่ยก็มีความบอกกับเพื่อนๆกันทีเดียวว่าคอเบ่เนี่ยน้ำใจดีนะพวกเราถูกจับไปก็เลี้ยงข่าวเลี้ยงเว้า และครั้งนี้เรารอดชีวิตมาได้เนี่ย mm hmm. ก็ได้อาศัยชื่อโกเตงหรือเราเพียงแต่บอกเราเป็นทหารโกเตงเท่านั้นแหละพวกเราทั้งสิ่งก็รอดตัวพ้นตายกันมาทุกคนนี่คนช้ของโกเตงได้ยินทหารของยงคีพดูดแบบนี้เนี่ก็อนอความเลยไปบอกโกเตงทุกประการอีกนี่โกเตงหญิงก็งสงสัย ก็ถึงชายฐานไปสอดแหนมดูยังค่ายองเบ่งสิดูสิเมื่อยงขีจะใช้ผู้คนไปมาว่ากล่าวประการใดอย่างไรเพื่อจะได้รู้ความหมกันให้ชัดแจ้งสักทีพีนี้ฝ่ายคงเบ่งท่านดำเนินแผนการต่อไปลึกซึ้งละคงเบ่งสั่งถามให้ปวงทีเดียวว่าให้ไปสอดแหนม ตัวทหารโอเตง ม, มาให้ได้นี่ฟังให้ดีนะจับตัวทหารโกเตง ม, มาให้ได้เนื่อได้ตัวแล้วมัดเอามาส่งให้กับเราและเจ้าเนี่ยก็จะแกล้งสำทับว่าพวกมันเนี่ยเป็นทหารของยงคี น, นี่ฟังให้ดีให้ไปจับฐานของโกเตงแต่ผู้ไปจับเนี่ยเรียกว่ายืนยัน ว่าจะพวกเรานี่เป็นทหารของโยงคีอืขไมยสั่งไปอย่างนี้ทหารก็รับคำแล้วก็เรียนรายไปทีื่อยฟอดแมนมตามฟังครั้งพบทหารโกเต็งนี่ก็จับตัวมาเลยได้ฐานโกเตงแล้วจับฐานโกเต็งมาแล้วก็แกล้งพูดว่าเนียไอ้เนี่ยมันเป็นทหารของโยงคีฝ่ายฐานที่ถูกจับถูกมัดและจริงจริงน่ะ uh, ตัวเองเป็นฐานของโกเต็ง ตัวไม่ใช่ทหารของโยมคีก็เถียงว่าเขาไม่ใช่เมาโยงคีไม่ใช่ทหารของโยงคีเขาพเจ้เป็นทหารของโกเตงแต่เอ า, เาว่าไปเท่าไรเท่าไรก็ตามทหารของขนเบ่งก็ไม่ฟังก็พาเอาตัวเข้าไปให้ขนเบ่งบอกแกขนเบ่งแหละว่าบัดนี้ข้าจเจ้าลับได้ไอ้พวกทหารของโยมคีมาแล้ว ผมเบ่นเด็กกว่านั้นก็สั่งให้แก่มัดแม่แกมัดแล้วก็บอกว่ายงคีมายของเองใช้ให้คนมาหากูนักวาไม่สีวันจะตัดศีรษะโกดเป็นและจูโผมาให้แก่กูแต่เหตุใดเนี่ยมันเกินสัญญาไปหรอกกูกจะไม่ฆ่าพวกเบื่อจะปล่อยถึนฝึกกลับให้แกยงคี แค่เร่ไใบตัดทิศะโกเตงจูโทมให้กูตามสัญญามีคนไม่ว่าอย่างนี้คือทําเป็นไม่รู้ล่ะให้เชื่อเลยนะเกินว่าฐานเรานี้เป็นงานของยมคีว่าอย่างนั้นก็ทําเป็นผู้ความโดยหมดเลยเนี่ยนี่คือการเปิดเผยความรับให้รู้และผมไม่บอกเขียนหนสือส่งให้กับฐานเหล่าเนี้ยแล้วก็ปล่อยไปนี่แผนนี้สิ ทำลายร่างคนทั้งสามได้อย่างลึกซึ้งเลยตเมื่อปล่อยไปแล้วคงได้นเนี่ยก็เขียนเป็นหนังสือของจูโผให้เอามาใส่หีบเก็บไว้ฉบับนึ่งทำอย่างนี้ด้วยฝ่ายฐานโกเป็นถถูกจับและถูกแจ้งข้อหาว่าเป็นฐานของยงคีได้รับฟังพ่อยํำจากผมเบ่งโดยทุกประการแล้วและต้องไปดูถึงหนังสือของเ่งเกลับไปด้วยเนี่ย ปล่อยนตายมาแล้วก็รีบรับหนังสือกลับไปค่ายสิไปหาโกเตงเดิออกไปถึงก็รับหนังสือส่งให้แก่โกเตงและก็รัเรเื่องความในฟันทุกประการนั่นแหละว่าถูกจับไปเนี่ยมันก็ใจผิดว่าพวกกบเจ้าเนี่ยเป็นทหารของยงคีจึงรอดชีวิตแล้วก็ได้รู้ความรับมาครบเลย น, นะ บอกว่ายงเคียยมัไว่วาสีวันจะตัดหัวท่านและจูโผล่ไปให้แต่นี่เกินสัญญาแล้วนี่คือพิธานก็เล่าความไปฟังล่ะเอานนังสือให้ดูด้วยโกเตงเห็นหนังสือนั้นฟังความพิฐานบอกทั้งซึ้งแล้วเนี่ยก็สำคัญว่าจริงก็ถูกหลอกเขาอย่างลึกซึ้งโดยอย่างนี้มันก็ยากยากที่จะพิจารณาได้ แต่าอย่างไหนมันจริงอย่างไหนมันปลอมหารู้ไหมหรอกว่าตกเป็นเครื่องมีให้โคกหลงวางอุบายเล่นไปอย่างนี้โกรธเต็ง ม, มันก็เชื่อทีเดียวว่าโยนทีนี่ประมาดศัพ์ไปแล้วโกรธนะก็ถึงว่าแก ง, ง่ักฟันถามเอกของตนว่าเราหรือทำการซื่อตรงต่อเพื่อนแต่ควรหรือเพื่อนกัน แ, แม่เขากลับจะทําร้ายเราทะนี้ จะตัดหัวเราเอาไปถ่ายโทษผิดตัวเราจะคิดอะไรดีหนักฟันก็จริงว่าเราทําการผิดทางนี้ก็เพราะยงทีมาอ้อนวอนว่ากล่าวบัตรนี้ขนเบ่นรู้อยู่แล้วจับได้ก็ไม่ฆ่าปล่อยมาเนี่ยนับว่ามีคุณต่อเราครั้เราจะทาผิดสื่ไปอีกรอบก็ไม่ควรก็ามาเจววัด เราก็คิดอ่านปัจ ส, สิสยองคีให้ขนเบ่งเสียเพื่อแก้ความผิดตัวถ้าเหมือนกันก็คงจะได้นี่นาาฟันก็คิดว่าปัญญาแก่กล้าวานแผนังเนี้ก็ว่าจะคือใช้อุบายยงคีย้อนกลับยองีนี่แหละโกตังด้วยฟันหน้ฟัฟนทหนเของตนว่านั้นก็เห็นชอบด้วยเพราะจริงว่าเล่ห์ทำอะไรอ่ะถึงจะได้ศปษจยองี วันก็จริงว่าถาเกิดนั้นเราก็จะลวงโยงคีขึ้นแต่งโตให้ไปเชิญยงคีมากินโตถ้าโยงคียังซืกอตรงต่อเราอยู่ก็จะต้องมาแต่โดยดีแต่ถ้าไม่มาก็พอเห็นแล้วว่าคิดคดเป็นแม่แล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เชิญท่านนำกระมัฐานเข้าตีข้างหน้าข้าพเจ้าจะนำกระังฐานเข้าตีข้างหลัง ปวดตักเอาหัวไป้องเบ้นให้จงได้ก็แล้วกันหนักฟางก็วางแผนให้ยังทหารนี่แหละโกเตงเด็กฟางก็เห็นชอบด้วยกดฟังให้แปรงโต๊ะแล้วก็ให้ทหารไปเชิญยงคยีมากินโต๊ะตามแผนการที่คิดไว้ทหารของโกเตงก็ไปหายงคี เราเชื่อเชิญตามคำสั่งของผู้เป็นนายให้ไปกินโต๊ะยองคี่ได้ฟังก็สงสยัยแครงใจทีเดียวว่าเอ๊ะมันยังไงกันเชิญ เ, เราไปกินโต๊ะทาหารของเราถูกผงเบ่งจับไปเพึ่งแต่บอกว่าเป็นฐานโกเตงมันก็ปล่อยมาหมดเพื่อบัตนี้อยู่ๆอย่างนี้เชิญให้ไปกินโต๊ะนี่เอดีรายประการใดอย่างไรโกเตงนี่จะไม่สื่อต่อเราใชแล้ว คงจะต้องคิดทำร้ายเราเป็นแม่มเยนคีคิดอย่างนี้คิดนี้ก็จึงบอกปวดท้องไปไม่ได้พหานก็เลืความไปบอกโกเตงตามที่ยงคีว่าแหละว่าปวดท้องเธอไปกินโต๊ะกินอาหารเมื่อปวดท้องเรไปกินไม่ได้นี่คือเหตุผลว่าไปไม่ได้เพราะเหตุนี้โกเตงพอรู้ว่ามยงคีปฏิเสธเนี่ยโกรธมักทีเดียว ก็จึว่าแกงหน้าฟันว่ามันคิดร้ายแกเราแน่แท้จริงแล้วตามพี่เจ้าวาดค่เวลาค่าโกเตงก็คุมหานไปหน้าไข่หน้าฝันก็คุมหาห น, าขาห น, านหาเข้าตีด้านหลังไข่เสียงทหารโกเตงโหร้องรบกระนาบเข้าไปอื้ออินทีเดียวทหารโยงขีพวกพี่คงเบ่งปล่อยมานั้นเห็นโกเตงรบเข้ามาเนี่ยก็าตาให้พากันคิดถึงคุณของโกเตง ที่เป็นรอดตายด้วใช้ที่โกเตงก็เลยกลับเป็นใจเข้าด้วยโกเตงเสียแล้วก็ข้าพันทหารของโยมขีเป็นโอโร ม, มานขึ้นในค่ายนั่นแหละทนี้ฝ่ายโยมขีเห็นโกเตงยกมารบและฐานในค่ายของตนก็เป็นใจไปเข้าด้วยก็ตกใจนะสู่รบกันเป็นโอโร ม, มานแล้ว ไม่ผู้เห็นจะสู้มิดได้ยงขีก็ขึ้นมาควบหนีออกไปทางหลังค่ายก็พอดิี nga ฟันคุ้ทหารตีเข้ามาทางด้านหลังพบยงคยีเข้า nga ฟันก็ขับมาไล่เอาทวนแทงถูกยงขีตกมาตายแล้วก็ถึงเขาตัดเอาศิษะยงคีไปฝ่ายทหารของยงขีต้งตวจเห็นเช่นนั้นนี ย, ยงคยีผู้เป็นไม้ปลายแล้ว ถูกตัดทิษะแล้วต่างก็ยอมเข้าเป็นพวกโกเตงทั้งสิ้นเป็นนั้นว่โกเตงชนะปัดหัวโยงคีได้ด้วยโกเตงกอพาฐานทั้งสองพวกคือฐานของตนและก็ฐานของโยงคีด้วยแลละ ร้อมกับศรีษะยงคีเนี่ยไปให้คงเบ่เมื่อไปถึงก็ขมำตามธรรมเนียมคงเบ่งเดียเรามาดูรีราท่านหกหลงกันคงเบ่งคำเหนโกเตงพาดเอาทหารและศรีษะยงคีเข้ามาสมความคิดแล้วก็ทําเป็นโกรธหนุ่ยฮกหลงได้ทําอย่างนี้คือพอเถงก็ร้องสั่งทหารให้เอาตัวโกวเตงไปฆ่าเสีย พวกหลวงก็ทําแบบนี้โกเตงดูหินขุ่นได้วันนั้นก็ตกใจก็เจอว่าด้วยขบเจ้ามนาะคิดถึงคุณท่านจึงตัดสีสะโยงคีมาให้ท่านแต่เป็นไรเราท่านถึงจะให้ฆ่าขบาเจ้าเสียอีกเล่าขุนเบ่งก็หัวเราะทีเดียวแล้วก็พูดว่าจูโนะ่โถน่ะนมีหนังสือมาถึงเราว่าตัวเจ้ากับโยงขีเนี่ยคบคิดกัน กินน้ำระบบไวจะร่วมชีวิตเป็นตายด้วยกันแล้วคิดร้ายแต่โยงคีท่านกลับไปบอกยูโพว่าจะเข้ามาหาเราโดยดีนั้นนะ่ะกลัวเราจะสงสัยจะทําการไม่สนิดก็แกล้งตัดสีสาโยงคีมาทั้งเนี่ยวันให้เราเชื่อถ้าเจ้าเห็นว่าเราไว้ใจแล้วจะาก็จะทําร้ายเราต่อภายหลังเนี่ยอูบายเท่านี้หรือ ว่าเราไม่รู้เท่าทันว่าแล้วคนเบงก็ทำเป็นโยนหนังสือที่ตนเขียนใส่หีบไว้ให้กกเตนดูโกเตนเห็นหนังสือของจูโผโก็คิดว่าจริงก็ตกใจนะเอามือตบ อ, อกเข้าเลยทีเดียวแล้วก็พูดว่าจูโผมันเกลียดชังข้าพเจ้ามันจึงแกล้งให้หนังสือมาทนเนี้หวังให้ท่านฆ่าข้าพเจ้าเสีย ท่านจะเพิ่มเชื่อมันก่อนโกโปรยอย่างนี้ผมเบ่งก็จริงว่าท่านว่ามาเท่านี้เราก็หาเห็นเรื่อจริงไหมหากเมื่ไรได้ตัวจูโพมาแล้วนั่นแหละจึงจะเห็นเรื่องจริงโกโปรย์ถ้าแต่นั้นท่านจ ะ, นนจะสงสัยเขาพเจ้าเลยเขาพเจ้าจะขออาสาไปเอาศรีรษะจูโพมาให้ท่านได้กินได้เองผมเบ่งก็ริงว่าถ้าทําว่าดังนั้นน่ะเราจะปล่อยท่านไปดูสักทีหนึ่งก่อน ทวารเดศิสาจูโพมาแล้วแหละเราจรึงจะเห็นจริงของเ่งวาดอย่างนี้แล้วก็ยอมปล่อยโกเติงไปโกติงก็กลาปลงแล้วก็ลาของเบ่งไปโกติงกับนาควันนั้นก็คุมหานกรองไปยังข่ายของจูโพที่เดียวฝ่ายจูโผครั้งรู้ว่าโกเติง มาอย่างนั้นคือยกทหารมาด้วยอเออก็ขึ้นมาออกมารับไปนอกค่ายแล้วก็ยืนพูดกันอยู่บนหลังม้าแหละนี่คือความไม่ไว้ใจเลยแม้แต่นิดเดียวอ่ามีพูดกันบนหลังมา้าโกเตงนะ่ะประว่ากระจูโพว่าจูโพทําไมนะท่านถึเขีนให้เสือได้ข่มเบ่งแกลงได้ข่มเบ่งฆ่าเราเส้นน่ะท่านจะทําดีเราหรือนี่โกเตง แต่งข้อหาแกจูโผอย่างนี้จูโผล่ได้ยินโกเตงว่านันก็ตกตะลึงไปเลยคิดฉนวนอยู่เม่อครั้งจะว่าประการใดก็ตัวเองไมได้ดีหนังสือมันหาตัวเองไม่ได้เคยพบป่าผู้จาแต่บพบหลวงคงได้เลยสักนิดเดียวมาถึงโกเตงเพื่อนกันก็มาว่าว่ า, วาเอาอย่างเนี้ยก็ตะลึงไปนาฟันทหารเอกของโกเตงยืนมาอยู่ข้างหลังนั้นก็จึงแทงมีดทวนถูกจูโผตก จากหลังมาลงไปตายโกเตง น, นั้นก็ร้องประกาศแก่ทหานั้งพวงว่าอย่าตืต่ตกใจไปให้เข้ามาอยู่ด้วยเราให้สิถ้าผู้ใดไม่เข้าด้วยเราจะฆ่าเสีให้หมดพหารทั้งพวงเหล่านั้นนะ่ะก็เรียกว่าก็พักพวกเดียวกันนั่นแหละเพื่จะแบ่งเป็นพักเป็นพวกออกไปหน่อยที่เดียวเดียวเท่านั้นแหะมี่เจ้าหมายคนะคนตอนนั้นหมัดมิกามาเป็นอย่างนี้ขึ้นนะ่ะมึงก็เรื่ออะไรต่างคนต่างก็ กราบลงและก็ยอมเข้าอยู่ในอำนาจโกเตงทั้งสิ้นโกเตงก็ตัดศรีรษะจูโพแล้วก็คุมทหารนันแหละคุมทหารของจูโพเท่านั้นแหละเข้าไปหาขงเบงขงเ่งเขาเห็นโกเตงพาเอาทหารพร้อมด้วยศีรษะจูโพบาดังนั้นก็ัวรอแล้วก็ยิงวะขอบใจนักหนา เราเห็นความกินในท่านแล้วพบหลวงว่าอย่างนี้คือสําเร็จแผนแล้วให้เจ้าสามทหารนี่คาปันกันล้มตายไปกันเหลือคนเดียวและก็ได้ตัวอะไรเมื่อเนี่ยคือได้ตัวโกเตงด้วยของเบ่งก็จึงตั้งให้โกเตงนี่แหละเป็นจอมเมืองเอกจิ๋วห่งดปันเป็นประหลัิให้ว่ากล่าวควบคุมเมืองทั้งสาม น, นี่คือฝ่ายเบงเฮ็ซึ่งคุณฐานมาล้อมึิงเองเฉียงอยู่นั่นน่ะครรรวกของเบ่งโยกทับมาเองจากเสฉวนแล้วก็ทหารทั้งสามที่ว่าเป็นสมาภาพวกของตนคือโกเตงยงคีจูโพก็เกิดความวุ่นวายโกเตงขาดยงคีขาดจูโพแล้ว แล้วโปเตงพาฐานกลับไปเข้ากับผมเบ่งแล้วดังนั้นเบ่งเหตกเจะเมืองมันม่นอองก็ตกใจก็จิสั่งให้เลิกทับถอยกลับไปเมืองหมันม่นออง ข้าฝ่ายองคางจะเมืองเองเขียนที่ถูกกองทับเบ่งเฮกแต่ก็ทำอย่างดีไม่เลยทราบว่าเบ่งเฮกถอยทัพกลับไปดังนั้นองคางก่อไปคำมับรับของเบ่งเข้ามาในเมืองของเบ่งก็ถามองคางว่าท่านครองเมืองอยู่เนี่ยได้ผู้ใดเป็นที่ปรึกษาหาหรือ สองคางก็ตอบว่าข้าพรเจ้าได้ลิขีคนเนี้เป็นที่ปรึกษาขุเบ่งก็ถามลิขีทีเดียวว่าท่านอยู่เมืองนี้เนี่ยยังรู้รูทางแห่งที่ที่จะไปเมืองหม่นมอองหรือไม่นี่ดังกล่าวแล้วว่าขุนเป่งไม่ยุติศึกครั้งนี้เพียงเท่านี้เพียงเท่าที่เป่งให้ถอยแล้วนี่ไม่ได้ถือว่าชนะหรอกจะต้องติดตามต่อไปก็จินหันมาถามลิขี ที่ปรึกษาของเจ้าเมืองเอ็งเฉียงเนี่ยรู้จักรู้ทางภูมิประเทศเป็นั้นดีหรือไม่ลิคีก็บอกว่าทางไปเมืองหมั่นปองนั้นนี่ข้าพเจ้าได้เคยไปมาอยู่ที่จะขัดสมได้น้ําผตาประการใดอย่างไรตรงไหน ม, มีน้ําตรงไหนไม่มีน้ำสิ่งสําคัญนี้นักนี้นี่ข้าพเจ้าก็รู้อยู่ลิคีบอกแล้วก็เอาแผนที่ออกให้ของเบ่งดู ขงเบ้งขนห็นแผนที่แล้วก็ดีใจก็จริงว่าอุ้ยขีรู้แหล่งแห่งทางนชนิ้เราจดขอเอาตัวไปด้วยเป็นอันว่าขงเบ้งก็มาได้ผู้นําทางขีณนะภูมิประเทศแห่งนี้เลยกว่าเนาะเนาะแหวนแคว้นแบมจีนแล้วขงเบ้งไม่รู้ภูมิประเทศไม่รู้ทางก็ต้องการที่จะได้คนนําทางอันสําคัญ ขั้นฝ่ายพระเจ้าราศีนเนี่ยนครังหนึ่งคองเบงยกทัพไปแล้วพระเจ้าราเศีนได้ให้มาเก็ตคุมสิ่งของเครื่องเสบียงแต่พระชจ้าทานแก่ของเบงมาเก็ตคุมเครื่องเสบียงสิ่งของพระเจ้ทานมาถึงยันเองเฉียงก็ขอไปหาขอเบงก็ทําคํานับแล้วก็สิ่งของพระาาเจ้ทำำน า, า, านออกให้แล้วก็เร่าเนื้อความตามรับฟังขอเบงก็รับของพระเจ้ทานนั้นมาแล้วก็แจกจ่ายแก่นายทัพนายกองทั้งปวง แล้วก็ถามมาเจกว่าเป็นไรอ่ะท่านจรนนม่งขาวห่วมขาวเช่นนี้มาเจ ก, ก็จีนบอกแกขงดบ้งว่ามาเลี้ยงพี่ชายขบเจ้าเป็นไข้ตายคปแล้วนี่กล่าวไว้เท่านี้เองมาเลี้ยงจบถูกต้องมาเลี้ยงจบสิ้นชีวิตไปอย่างนี้ขงเบ้ง แบกความดังนั้นคอยคิดเสียดายมาเลี้ยงอยู่อด้วยมีสติปัญญาดีผู้หนึ่งเหมือนกันก็ปราศัยถ่ายถามมาเจ็กต่อไปว่า เ, าเราจะยกไปตีเมูลหมันอองครั้งเนี้คิดประการใดจริงจะดีมาเจ็กก็จริงว่าข้าพเจ้าเห็นว่าชาเมืองหมันอองนั้นเป็นคนน้ําใจแข็งกระด้านไม่รู้จกักเจ็กไม่รู้จักอายถึงมาพเพื่อจะตีแตกไปดีร้าย มันก็จะยกมาใหม่ทามิทานรู้ความคิดคือทำนิทานรู้เราเพีงแต่คิดคิดว่าชนะมันแล้วมันก็จะยกกลับมารบใหม่และถ้าเราจะไปรบกับพระเจ้าโจผีข้างนู้นมันจะยกกลับมารบข้างนี้ปีอเมืองเราจำจะต้องกระทําให้จงสาหักแก่มันให้มันกลกี้ยวจงหนักก่อน จึงจะยกทัพกลับไปได้อมืมาเ จ, จกพูดการทีแจงแบบนี้ทีนี้ถ้าเราจะกลับมาเห็นถึงชาวหม่าข อ, องซึ่งเป็นเมืองหนึ่งอาจจะออกเสียงว่าอย่างไรอ่าแผ่นดินเมืองนี้คือเมืองใครเป็นต้นกระอวนของใครมันงไปเรื่องของนักประวัติศาสตร์ที่จะคนความทีแจงลงไปได้เรามาพูดกันแต่เพียงถ้ากลับดูเพ้่อคําเนี่ยมาเจตบุพนิแข็งกินด้าน ไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักอายหรือตีแตกไปมันก็จะยอมาใหม่เรากลับดูใหม่ดิก็จะต้องหมายความโดยแพ้โดยชัดวดชมชาวหมั่งองทั้งสิ่งนี้ตัวเอกทาหารแพ้ไม่วันไม่เกรงไม่วาดไม่กลัวไม่ท้อถอยต่อความตายอันตรายทั้งสิ้นทั้งตัวส่งรบสุกใจขาดดิ่งประการเดียวก็แล้วกันละตัวเือก ม, มากรบยังแพ้จริง ในวันเกรงต่อคําว่าพ่ายแพ้แต่ประการใดนี่ถ้าเรากลับดูอย่างนี้ก็จะเลือดทางทามือมัน อ, องนี่ต้องเป็นเลือดนักครบเป็นตัวไม่ใช่ว่าอย่างนั้นนิดนึ่งก็ตัวอย่างนี้นิดก็ถอยอย่างนั้นนิดนึงก็แพ้นี่เอาละคนเบ่งเด็กฟังมาเจ็กกล่าวดังนั้นก็จึงตอบว่าท่านว่า น, นั้นเหมือ น, นเราคิดไว้แล้วแต่เมื่อจะไปเนี่ยเราจะเอาท่านไปด้วยคนเด่งก็จึงตั้งมาเจ็กเป็นนาย กองตรวตลาในกองทัพแล้วก็ยกทัพไปเป็นอันว่าพหกองมหาอุปราชเสฉชวนเคลื่อนทัพพุ่งสู่มัน อ, อง๋งวี่ฝ่ายเบงเฮกครั้งลวกคงไบ้ยกทัพไลงเข้ามาในแดนก็จึ้งให้หากิมบุนเจ้าเมืองสัมกิจ สุดมาเจ้าเมืองนิตองเวล้าเจ้าเมืองหายอําสารคนนี้เข้ามาเราจะดูสมุชื่อเมืองชื่อบุคคลอจอกแกต่างๆกันไปแล้วเมืองสมกิจเมืองนิตองเมืองหายอําเอาเอกเมืองทั้งสามนี้เข้ามาแล้วก็ถือว่าบันนี้คนเด้ ย, ยกกองทัพร่วงเข้ามาถึงแดนเมืองเราแล้ว เราได้ทำสามคนเนี่ยกทัพออกไปรบเป็นสามทางกินห้วนก็คุมฐานห้าหมื่ยกออกไปรับทางกลางสุกนาคุมหานห้าหมื่ยกทัพออกไปรับทางข้างซ้ายหวยล้ําคุมหานห้าหมื่ยกไปตั้งรับทางข้างขวาถ้าผู้ใดมีใครชนะกลับมาเราจะตั้งถู้นั้นให้เป็นใหญ่ มีคำสั่งเบ่งเฮกจิมวนซื้อนาห้วยหลัมได้ฟังเบ็งเฮกว่าดังนั้นต่างคนต่างก็คุมทหารแล้วก็ยกไปตามคำสั่งเป็นอาเบ่เฮกจำต้องสู้ละส่งกองทัพทั้งสามฝ่ายพนรวมแล้วมนึ่สห้ามืนฝ่ายกองสอดแมนมของหกหลง ก็เมื่อความนี้เขาไปแจ้งแกผนหาวปราชพกหลงของดบ่งขอเบ่งได็กสาบดังนั้นว่ามีกองทัพที่เด็งเฮกซ์โผอกมามีกิมหุนซูนาหัวหลังอย่างนี้ก็คิดกนอุบายจะให้จูนล่องอเอียงยกไปแต่คนงเ่งก็ไม่ได้ว่าดประการใดนี่ลองฟังให้ดีคิดอุบายจะให้จูนล่องอูเอียงยกไปนะ แต่คงเบ่งไม่ได้ว่าประการใดสั่งให้หาองเต็งมาเต็นเตียวเอกเตียวหญิงสี่คนเข้ามาแล้วก็พูดว่าบบัดนี้เบ่งเฮกให้ฐานยกกองทัพมาเป็นสามทางครั้งเราแท่จูเ่้องอุเยียนยกไปก็เห็นว่าสองคนเนี่ยไม่รู้จักที่ทางเป็นประการใดองเป็งจึงคุ้มฐานไปรถทางซ้าย มาตรงคุมหาไรไ้รถทางขวาเตียงหนีเตียวเอกสองคนนี่ไปรถทางกลางจัด ก, กันให้พร้อมทุ่นนี้ใช้ยกไปองเต่งมาตรงเตียงหนีเตียวเอกสี่คนนี่ก็าลามา จ, าจัดแกงทับตามรับสั่งละฝ่ายจู่ลงวีเอียนอยู่ในที่นั้นด้วยนะเห็นคนบุ้งเรียกมาแล้วแล้วก็ไม่ใช้ กับใช้คนอื่นไปอย่างนี้ก็โกรธเพราะจริงว่าเป็นไรท่านไม่ใช้ขบะเจ้าของเด่นเห็นสองทหารเอกทหารเก่าจู่ลงอุยเยนตอนนี้เหลือไม่กี่คนแล้วเห็นจู่ลงอุยเย็นโกรบเนี่ยก็จึิงว่ามี่ใช่ว่าจะมิใช่ทางนงแต่ได้เห็นว่าทางเมืองเนี้ยเดินยากแล้วก็ยังไม่จัดเจนก่อน เลือชุกแร้วหู ก, ก็จะเสียทีการมีมีมากอยู่ข้างหน้าท่านจะปลารมที่ว่าจะไม่ใช้เลยผมไม่วงแบงนี้จูรุ่งเหยนก็ขมบลาไปและจูล่มก็จึงพูดกับอุเยเอยนล่ะเราเป็นนายทหารผู้ใหญ่แต่ผมไบ่มนใช้เรากลับใช้นายทหารผู้น้อยไปเช่นนี้ยเราอายนะอุเยเอ๋งก็จินว่าถ้าคนนั้น เราสองคนเนี่ยออกไปเที่ยวตรวจ ด, ดูก่อนพอจะจับผู้คนได้บ้างถ้าได้ผู้คนหลงมาแล้วก็จะให้มันนี่แหละนนทางเราไปรีบยกไปไปทิ้งเอาให้ก่อนปุยเอียนนี่ตรวจเร็วนะะักล่ะดูนั่นไลยปุยเอียนเป็นรูปยุ่หมุนขึ้นมาดังนั้นเนี่ยก็เห็นชอบด้วยทีเดียว แล็กจู่องอุเหียนสองคนได้ก็ขึ้นมารอบออกไปจากค่ายโดยค่ายไปประมาณห้าสิบเส้นแด่ยินเสียงผู้คนก็ขึ้นไปบนผี่สูงและดูไปเห็นคนเดิน ม, มาในประมาณสักยี่สิบคนอยู่ลงอุเหียนก็ลงมาขับมาไปนีก็ไปไว่จับมาได้ห้าคนแล้วก็มัดตัวจูงกลับมาค่ายแล้วก็สอบถามท่ดเลยว่า เองน่ะรู้จักทางที่แถวนี้ดีใช่ไหมด้วยเป็นคนทุนนี้เองจงเร่งนำทางเราไปให้พบไข่กิมว่่นซู้มาเวลําถ้าเป็นแค่นี้แล้วเราจะไม่ขาดจะปล่อยพวกเองไปพวกคมเรานี้ก็ทหารเด้นเฮกนันแหละถูกจับตัวมาทีนี้ก็กลัวความตายอ่ะก็ถือว่าขบเจ้าจะนำทางให้ อันเป็นหุ้มไมคทับมันตั้งอยู่ทางกลางระหว่างซอกเขาคลนเข้าไปได้ถึงค่ายตะวันตกทางหนึ่งถึงตะวันออกทางหนึ่งแล้วก็เดินไปข้างตะวันตกก็จะไปถึงหลังค่ายของหุ่นหลังแต่ถ้าเดินไปทางน้านตะวันออกก็จะไปถึงหลังค่ายสุมาอยู่โลกอี๋ได้ฟังนั่นก็จีจักรแหงขามที่มีชื่อื่อกล้าหานขั้นว่าห้าพัน แล้ก็ยกไปไเป็นในเวลากลางคืนนั่นแหละทหารที่จับตัวมาได้นั้นก็หายไปที้นําทางไปครั้นไปถึงค่ายกิงห้วนนี่มันเป็นเวลาประมาณสิบทุ่เห็นทหารในค่ายหุงข้าวอยู่จู่นุ่องอุ้ยนก็แยกกันเข้าทั้งสองทางจุดประทับโหร้องขับทหารรบเข้าไปเลยทีเดียวไปเข้าไปในค่าย ฝ่ายทหารของกิมฮนะุ่นน่ะกําลังมัวสารวนหุงข้าวอยู่ครเห็นข้าศึกโห่ร้องประดังแล้วก็ตกใจนี่ทันจะจัดแจงการก็แตกเป็นวุ่นวายไปกิมฮ้่นเห็นฐานแตกตป็นนี่นตะเลยอมันก็ตกใจเพ่นขึ้นหลังมาควบนี้ด้วยเหมือนกันจูร่งก็ควบม า, าไล่ติดตามไปทันกิมฮุ่นหันกลับมาจะสู้จูร่งก็แทงด้วยทวนถูกกิมฮุ่นตกมาตายแล้วก็ตัดศีรษะไว้ ที่นี้กล่าวพี่ว่กินหุน้นหันกลับมามาจะสู้เพียงแตจะสู้เท่านั้นนะไม่ทําได้สู้นะเพียงจะสู้เท่านั้นแหละจูเล่ก็แทงได้ควรเสียทีวิต้จะพิมพไปเสือหัวจะบจูเล่มละเลยนายถังกินหุน ก, ก็แตกตนูนตะเลิศโควคาดบอลล้มไปมากไหมแปลว่าขายแตก ไม่ค่ายกองกลางก็ระค่ายกินหุ้นมีค่ายกลางและจุร้งก็ยกไปทางบ้านหลังค่ายเวหลัมทางทิศตะวันตกไปตีบ้านหลังของค่า ย, วยเวหลัมีุเอียนก็ยกจะไปตีหลังค่ายซึ่งมาทางข้างทิศตะวันออกทีนขณะที่จุร้งอุเอยนได้ทาการความจริงเป็นไปตามแผนหกหลงอยู่แล้ว ต้องการให้เป็นเช่นนั้นก็ใช้อูบายกลายเป็นใช้เด็กๆทําให้จู่ลงอุเอียนนายถานใหญ่ไม่เกิดความละอายใจโกรแค้นและต้องไปกระทําเองก็เป็นประละเป็นไปแล้วและคงได้เนี่ยก็ทราบข่าวนีจากทหารว่าจู่ลงอ e. ุเอียนไปจับคนมาไต่ถามทา ง, ทางแล้วก็ยกทัพไปแต่ตอนกลางคืนรายงานนี่หกลวงต้องรู้และไม่รู้ก็ดีใจนะ ก็หยิบแผนที่ออกมาดูแล้วค่อยนายนทัพนากองที่จัดไว้นั่นแหละผิดสังให้จัดแล้วมาจัดใหม่ท่านนายทัพนกองทั้งหมดมาพร้อมกันแล้วของเบ่งว่จรงว่าบัตรนี้จูเล่ต์อีเหอียนยกไปปีค่ายที่เราใช้ท่านเรานั่นแล้วในะบัตรนี้จําจะต้องเปลี่ยนแผนใหม่อองเปงมาตงเร่ง ย, ยกหมุนไปช่วยจูเล่ต์อีเอียนมีนค่ายสุมาห้ยหลัง ถ้าซูนาแตกแล้วเห็นว่าจะต้องหนีไปทางตะวันออกซอกเขาให้เตี้ยงนี้ยกฐานไปคอยทางซอกเขาข้างที่ตะวันออกจับเอาตัวซูนามาให้ได้เหล์มมันเล่าถ้าแตกแล้วดีร้าก็จะต้องหนีไปทางซอกเขาที่ตะวันตกให้จับตัวเหวล์มให้ตัวได้เจ่นกันแล้วผมก็สั่งกวนศกกวนศกเชือสายกวนอู ลูกเวนอูให้คุนฐานหมุนไปเห็นหนักไหนให้ช่วยกันทางนั้นเอาชัยชนะให้จุงได้หมายทัพมายกองทั้งสี่รับคำแล้วก็รีโยกไปตามคำสั่งของท่านมาหาอุปราช ขะเมื่อมีเอียนเมื่อพร้อมกับจูรง่งเข้าโจมตีค่ายกลางคือค่ายของกินห่วงได้แล้วเนี่ย่าจูรง่งก็จะไปตีทางค่ายที่ตะวันตกอูกเอียนก็จะไปตีทางค่ายที่ตะวันออกคือค่ายสุนาเนี่ยอูเอียนก็มาทางหลังค่ายสุนาพอเวลารุ่งก็เริ่มขับฐานโหวรวเข้าไปรบหาเอาค่าย ฝ่ายสุมาครเห็นข้าศึกโห่ร้องรบเข้ามาดังนั้นก็ขับฐานก็ต่อรบอยู่อองเตงที่ของเบใชัมาสมทบยกมาถึงใกล้ได้ยินเสียงฐานโห่ร้องอื้ออก็ขับฐานรบกลนาบเข้าไปทางหน้าค่ายนียเห็นตีเข้ามาทางหลังนี่อองเตงก็ตีเข้าไปทางหน้าสุมาเห็นศึกรบกลนาบเข้ามาทั้งข้างหน้าข้างหลังฉะนั้นและ ทหารของตนก็ถูกข้าปานรวมปลายเป็นอันมากเห็นจะสู้ไม่ได้ก็ขึ้นมาคุ้มหมาออกจากค่ายหนีไปทางทังทิศตะวันออกฝ่ายจุลุ่งยกไปปีทางทิตะวันออกกปปตนออกคือค่ายเฮลัมอะจุลร่งยกไปหลังค่ายเ ห, ยหลังก็เป็นกระรารุ่งเช้าเหมือนกันก็ข้าปานหักเข้าไปเลย หวัวรัมเห็นข้าศึกโยกมาตีบ้านหลังนึงมันก็ขับพันเขา้าปอสู้มาตรงที่ผมไม่ใช้มาไดบินเสียงหัวร้องก็ขับพันรบเข้าไปข้างหน้าคล้ายกันอีกอแหละบินเข้าไปข้างหน้าค่ายหวยัหวรัมหัวรัมเห็นข้าศึกรบร้อมเข้ามาทั้งหน้าทั้งหลังข้าฟันฐานจนล้มตายเป็นนันมากเห็นจะซุ่มหัวมได้ก็ขับมาคุมฐานหม อ, ออกจากค่ายไปทางทิศตะวันตกดูโล่งวีเอียน ก็แปลว่าชนะหมดไปีได้ค่ายสุมาห่วยล้าค่ายกินห่วงค่ายกลางน่าได้ก่อนแล้วแต่ก่อนคืนแล้วรุ่งเช้าได้ทั้งสองค่ายนี้ด้วยสุนาห้วยล้าแตกนี้ไปแล้วปางคนต่างก็คุมผ่านไหว้ปิดปามไปทีเดียวแต่หนทางนั้มันเดินยากครั้งไล่ไม่ทันแล้วก็ต้องกลับมายังค่ายเป็นอันวัดอยู่ร่วมอุเอียนกลับ คือได้ชายชนะตีค่ายทั้งสามได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยทีนี้กองที่คงไม่ใช้ไปกระทำเพิ่มเติมเนี่ยเ mm. ตื้งหนียกฐานไปซุ่มอยู่ที่ฟอกเขาที่ตะวันตกคอยจะจับห้วยหลอ่ะครั้นฟูมาห้วยหลําหนีมาถึงที่นั่น mm. ต่างคนต่างก็โห่ร้องร้อมเข้าจับ <c oughs> จับตัวซูมาห้วยหลําได้มัดเอาตัวมา กลับมายังค่ายซึ่งขณะนั้นจูหลงอุเลียนกลับมาถึงก่อรจูหลงพอมาถึงค่ายก็ทิสสะกินห่วนเข่าให้แก่ขงเบ่งแล้วก็บอกว่าขบเจ้าตีค่ายสุนมาห้วยหลําแตกสิ่งแล้วติดตามเอาตัวมันไม่ทันสองคนนั้นมันหนีไปได้อา้าวมีรายงานจูหลรายงานอย่างนี้นี่มาดูหกหลงหกหลงไม่ผิดเป็นผิด ฮกรลงไม่ฟังก็หัวเราะแล้วก็จริงว่าท่านยกไปรบให้มันหนีไปได้เราจับตัวได้ทั้งสองคนแล้วคือฮกหลงบอกอย่างนี้คงเด่นบอกอย่างนี้อ้าวท่านอยู่ในค่ายเฉยๆบสบายๆแต่บอกว่าจับตัวได้แล้วยูรุ่งอีเอียนได้ยินคงได้นว่านั่นก็จริงว่าไอ้สองคนเนี่ยข้าพเจ้าไล่มันไปเมื่อกี้อย่างนี้ เหตุใดมหาอุปราชจึงว่าจับไว้ได้ละ่ะข้าพเจ้ายังสงสัยอยู่ก็ยังไม่คันขาดคำอเดี๋ยวเอ็กเดียวนี้กองทุ่มทั้งสองก็มัดตัวซูนาห้วยหลําเข้ามาไกลข่มเด้งดูล่อองอีเอียนแลยถามทางปวงเห็นเดี๋ยวเอ็กเดี๋ยวนี้มัดตัวซูนาห่วยหลําสองแม่ทัพคนสาคัญของข้าสิดมาในก็ตตใจ นันก็จริงดังที่ฮกหลวงท่านพูดยังไม่การเห็นตัวเลยท่านพูดแล้วท่านบอกจับได้แล้วเนี่ยมี่จริงท่นดิฉันนี้บางคนต่างก็สนเซินความคิดของขนเมงเป็นอันมากขุนเมงก็ยังเห็นมากจูร่องอีเอียนแในฐานทั้งพวงที่ไปกับดูล่องอีเอียนเนี่ยยังสงสัยอยู่คือคือก็อออต้องสงสัยละจูร่องอีเอียนพร้อมกับทหารรวมกันแล้วก็จะมวนเป็นหมื่นเนี่ยผิดไปรบเนี่ย ก็ตัวเป็นผู้ไปรบเองยังไม่ได้ตัวชาวคนทั้งสองนี้หกหลวงได้ตัวคนทั้งสองมาได้อย่างไรอะ่ะทั้งจูล่ลงทั้งอีเหียนและทั้งหนานทะโบก็ต้องสงสัยละ่ะขนเด่งก็จิงบอกเนื้อความให้ฟังว่าเรานะัดตรึกตรองคิดการแจ้งในแผนที่แล้วเื่อรู้มันจะต้องหนีไปทางนั้นก็จริงแกล้งทําเป็นไม่ใช้ท่าน หวังแค่ทนทั้งสองมีมารนมะไปกระทำการเองแล้วเราก็กลับใช้นายฐ า, านทั้งสี่ละให้ยกไปสกัดจับกุมตัวสุนา้วยหลังได้ผมเองชี้แจงให้ฟังว่าโดยยอดท่านี้และผมเองก็สั่งให้แก่มสุมนา้วยหลังบอกเสียเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนหุ้มใหม่จัดโต๊ะมาเลี้ยง และก็จริงว่าท่านสองคนนี้หามีความผิดกับเราไหมเป็นด้วยว่าท่า น, น ก, กลัวเบ้งเฮกจึงจำต้องยกมารบกับเราทั้งนี้เราคิดเองดูจะไม่ฆ่าใช่หรอกจะปล่อยไปแต่ว่าทีนี้ท่านอย่าฟังคำเบ้งเฮกแล้วยกกลับมารบกับเราอีกเป็นอันขาดคุณมาหัวหลำเบ้งฟังมันก็ดีใจก็ไม่เคยมีที่ไหน รบแล้วถูกจับตัวได้ก็ไม่ว่าจะสมัยไหนประการใดอย่างไรก็พิฆาตข่าวปันเอาชีวิตทีวากันสิ้งไปทุกครั้งไปบัดนี้พบกับมหาอุปราชมูลเสฉวนหกหลงคงเด่นมกลับปล่อยสองคนก็ดีใจก็ถึงว่าเมื่อท่านโปรดไว้ชีวิตแล้วข้าพเจ้าก็จะไม่มารบท่านอีกเลยและทั้งสองนายทหารนี้ก็กราบลงแล้วก็ลาไป ขอันปล่อยฟุนาเฮะรัมไปแล้วก็แผนที่ออกมาคลี่ดูอีกตรตรองคิดกลอุบายแล้วก็จึงว่าพรุ่งนี้มีรายเบ่เงเหกจะต้องยกมารบรอบให้จุรล่มงคุณผานห้าพันไปคอยอยู่ณหัวเขากินไก่อุยเอียนคุณผานห้าพันไปคอยอยู่ณท้ายเขาช่องแคบให้ออนเตงอวนศก สอคนคุมหานไปลบเบ่งเฮกแล้วทําถอยให้เบ่งเฮกไล่มาให้เปียวเอ็กเปียวนี้คุมหานไปซุ่มอยู่ในปา่าริมทางข้างซ้ายและข้างขว า, ขาช่วยกันลบเคลื่นมาจับเอาตัวเบ่งเฮกมาให้ได้หกหลงมือแผนงที่กายกรองความตั้งสิ่งแล้วก็วางอุบายก่อนเลยก่อนเลยก่อนอย่างไรคือก่อนที่เบ่งเฮกจะยกมาเลอีก วางแผ่ได้เลยประมาณได้เลยคิดได้เลยว่าไม่